ความลึกยุพระธนอากาศท่านบอกว่าเมื่อวันที่สี่ตุลาคมมีญาโ ย, ยมปฏิบัติกรรมฐานเขาคาดท่านสอนพุทโธแต่ความยิ่งพุทโธในที่ไม่ได้ข้อสำคัญ ญ, ญาโ ย, ย, ยมเขาปฏิบัติมาหลายวันแล้วคือจ ะ, จะเป็นเดือนจะไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นนรกไปถามอาจารย์ว่าทำไมผมจะไม่เห็นสวรรค์ น, นรกอาจารย์บอกสุล้วตโยมเรื่องของโยม อันนี้ก็เป็นความจริงคือว่าถ้าปริบัติคําว่าพุโทโธนี้ไปสุขวิวรตโกภาพสุขวิวรตโ ก, ตโกนี้ไม่มีความมิติตุ๊กเสือ ข, ขยานไม่มีใช่ไหมจะมีก็แค่อุปจาระสมาธิเห็ น, นภาพเล็กน้อยผ่านไปผ่านมาไม่สามารถบังคับได้อันนี้จะเห็นสวรรค์โลกไม่ได้ ต้อถ้าต้องการเห็นสวรรค์นุษต้องปฏิบัติในด้านเตนิโชพือชาสามหรือว่าชละพุญโยได้แก่พิญญาที่เราปฏิบัติในมนุษย์ยุทธิเี่วันคู่ของสองอย่างทั้งเตนิโชและชละพุญโยใช่ไหมต้อปฏิบัติตามนั้นก็เป็นว่าการปฏิบัติต้องหาจุดจบถ้าญาโยคนบริษัทธขี้เกียจ ว่าขี้เกียจจช่ไหมเพ่าะขี้เกียจทำนานๆต้องการจบเร็วๆเระห า, า, นหาบนมลงงเสียบนมที่ลงก็มีสี่จุดขึ้นหนึ่งพระโสดาบันชลศรีธาคามีาสามานาคามีสี่อรหันต์จุดจริงๆในการปฏิบัติเามีเขาเรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์แ ป, ปลว่ากิเลสเป็เครื่องดอยรัก มีสิบอย่างหนึ่งสกายยทิฏฐิมีความเห homeland, ировать, ็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราสองวิจิตรฉามีความสงสัยในความมีขพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์สามสิริปต์ปรารมัดไม่รักษาศีลจริงจังและคี่การมฉันทะมีความพอใจในการมารมณ์ห้าปิฎะามีลมไม่ชอบใจ หอรูปราคาติดในรูปฌานเจ็ดอรูปราคาติดในอรูประชานแปดมณถือตัวทุ้ตนเจ้า อ, อุตจามี ร, รมฟุกงซ้านสิบอวิชาไม่รู้จริงแล้วใน เ, เมื่อสัญญาสิบประการนีถ้าได้ทั้ง10บเป็นพระอรหัรแล้วก็ต้องตัดตอน ตัดตอนสังโยชน์เพื่อปฏิบัติจะต้องตัดเป็นตอนๆไปตัดตอนคร้แรกคือตัดตอนของพระโสดาบันกับสิทาคามีเพว่าพระโสดาบันกับสีทาคามีสองอย่างนี้ตัดสังโยชน์แค่าสามตัวคือสก า, ายทิฏฐิวิจิขิชาสิระปตะประาปรมาอย่าง ย, าย่าโยมพุทธบริษัททุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ แ้วที่มาบังไม่ได้มาบังก็ตามเถอะที่เขาจะเดิญกรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานในเบื้องต้นเรื่อยๆไปก็ถือว่าทําเพื่อพระโสดาบันถ้ายังไม่ได้พระโสดาบันอย่างนี้เขาเรียกว่าพโยคาวจรแต่ว่าถ้าถึงพระโสดาบันแล้วก็เป็นพตาอารียเจ้าจานี้เราก็ต้องตัดอันดับแรกอันดับแรกคือต้องการเป็นพระโสดาบันก่อนถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วบาปทุกอย่างที่ท่านทํา อย่างวันนี้ใครถามนะะักฆ่าเลี้งปลายฝันนะที่เป็นเลยมาได้ระเปิดจะไม่ได้เปลี่ยนหรอกถ้าเป็นเปโสดาบันก็ได้บาปทุกอย่างไม่สามารถจะให้ผลจะฆ่าคนบางสกิลสายคนจะีฆ่าสัตกี่ล้านตัวก็ตามเว้นไว้แต่อนันตรายกรรมอนันตรายกรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหันเพื่อ ท, ทำสงฆ์แต่ให้แตกกันทําพระเจ้าห้บโรหิต ถ้าห้อย่างนี้จะเป็นมโสดาบันไม่ได้ต้องลงอบายภูมิบาปอย่างอื่นนอกจากนี้แล้วถ้าเป็นมโสดาบันบาปไม่สามารถจะนํำลงอบายภูมิได้จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่ได้ไฟเขาดับจะไปเป็นสัตว์ก็ไม่ได้เป็นเปรตก็ไม่ได้ไปสือกายก็ไม่ได้เป็นสัตว์ปิาจก็ไม่ได้รโยมความว่าะโสดาบันตัดบาปทุกอย่างไม่ลงอบายภูมิ จะมาเกิดแค่เกิดมนุษย์เกิดเทวดาดุษฎุมและภูมิสลับกันไปสลับกันมาอย่างละเจชาติอย่างต่ำนะถ้ายัางอ่อนอย่างละเจ็ชาติเกิปฏิพนันธ์ถ้ายัางกลางที่เรียกว่ลังพละเกิดอย่างละสามชาติคนกับคนสามชาติเทวดาด้วยุมสามชาติที่ปฏิพนันธ์ถ้ายางเข้มแข็งที่เรียกว่าเอกวิชีเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวปฏิพนันธ์อันนี้ว่าาตามแบบ แค่ว่าถ้าเวลานี้ถ้าบุคคลใดเป็นประโสูดาบันก็ดีแค่ว่าจิตใจตั้งไว้เพื่อ น, นิพพานแต่ยังไม่เป็นประโสดาวันถ้าตายไปก็ไม่มีโอกาสจะกลับมาเกิดใหม่เพราะว่าถ้าพระอสิยันตร์ตัสต่อเป็นเทวดาก็ตามเป็นนางฟ้าก็ตามเป็นพงก็ตามตั้งเทพเจากพระสิยันตร์เพียงแค่จบเดียวก็เป็นบา ร, รหารันนี่คือการปฏิบัติขบรรดาในิมขอบริษัท ต, ต้องหายจุดจบอันดับแรก เราหวังเปโสดาบันก่อนมีการปฏิบัติเพื่อเปโสดาบันเขาทำยังไงท้องที่นี่ผู้ทุกเที่ยวนะพราะเปโสดาบันก็หนึ่งอันดับแรกตัดสกายทิฐิความจริงๆแล้วสังโยชนิสิบระการเนี่ยเขาตัดตัวเดียวตัดตัวแรกไม่ได้ตัดทั้งสิบตัวตัดตัวแรกอย่างหยาบเป็นระโสดาบันได้ ตัดตัวแรละเอียดไว้นิดหนึ่งเป็นพระสิท ธ, ธาคามีได้ตัดตัวแรกลงไปถึงนิบถายานเป็นพระอนาคามีได้ตัดตัวแรกลงไปถึงขั้นสังขารุเปขคายานเป็นพระรหันเขาตัดตัวเดียวคุณท่านจะบอกให้ตัดตัวเดียวกําลังใจเขาบรรดาแต่พุทธบริษัทไม่เสมอกันที่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้มีกําลังใจไม่เท่ากันคือมีคนสี่ประเภท เมอุกติจัญญูมีบารมีเต็มมีปัญญาดีมีความฉลาดมากแนะนําเป็นแค่หัวข้อก็สามารถบรรลุมรรคผลได้สองวิปติจัญญูมีบารมีเต็มแต่ปัญญาอนมาหน่อยหนึ่งแนะนําแค่หัวข้อครับเนสมนุบมรรคผลไม่ได้ต้องอธิบายสามเนยยะพราะที่จะปูกตั้มกันนานหน่อยไปได้ สีพระธับรมามะโหติเจ้ากลัวไม่กล้าเข้าไปสอนยิ่งสอนยิ่งลงนรกลึ ก, พกลเพราะก็มีความเห็นตรงกันข้ามกับพระเจ้าทต่ผู้นี้มาจากอบภู ม, มาจากบาบภู ม, ม็ใช้นี่กรรมยังไม่หมดต้องกลับลงอบภูิใหมอ่อย่างระพีละพิขุณเ้ี่ยเล่าในทางนี้ไม่ต้องจบกันเลย ชวนี่หมูนี่เขาถนอมมันดีนะอย่างท่านกะปิและพี่โก้ถ้าภาษาไทยแล้วรียขากบบินถ้ากบบินนี่เกิดในสมัยพุทธกระสบเวลานั้นพระุทธกระสบนี้ผ่านไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีศาสนายอยู่แบบนี้พรากรบินนี่จบพระไตรวิฎกแล้ว่าพี่ชายเป็นพระอรหันต ถ้าก็บินเรียนแค่จบก็ใจวิญญาณก็จะจบประโยชน์เก้าเรียนพวกอไรพวกปัญญาอะไรพวกนี้นะมเมื่อจบก็ใจวิญญาณก็มีรูกศิษยูกหามาเรียนมากเมื่อมีรูกศิษมากลาบสการะก็เกิดติดในลาบสการะติดในคนเมาไม่ปฏิบัติความดีนมาเข้าก็ดัดแปลงคําสอนพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกตายแล้วมีสภาพไปสูญต้องเกิดใหม่แค่บอกตายแล้วสูญทิพานไม่มียานี้เป็นต้น เห็นว่าบรรดาพระทั้นไหลายเห็นว่าไม่เป็นเรื่องพรนะรหันเน่ยก็เข้าไปแนะ น, นําแนะนำบอกขุนกบินที่สอนนัาผิดแจก็ดาาา่าพระรหันพระนั่งไหลถ้าไม่ดีก็ไปตามที่ชายมาจลกป่าพี่ชายมันก็เตือนเตือนก็ห า, าแกหาวิชาไมา่ได้เียนอะไรโง่เง่าเต่าตุนเสือกมาสอนฉันไม่ดีสุดขุนะ บ, บินตายจากความเป็นคนเป็นความจริงหมดสิ้นพระแล้ว ถ้าลงไม่นับถือพระพุทธเจ้าว่าถือไม่เป็นพระั่สภาพความเป็นพระถึง่มโยมบ้าเหลืองก็ตามก็เลยลงอเวจีมานรกใช้กรรมอยู่ชั่วขณะหนึ่งตั้งแต่สมัยพุทธกษัตริย์มาสมัยพระเจ้านี้เกิดขึ้นมาเป็นปลาแล้วเกิดสีเป็นขนทองคำวันหนึ่งได้กดกระลูกชาวประมงพ่อแม่มาอยู่เอาแหไปทอดแห ไปทอดได้ปลาเศษชีทองขึ้นมาพ่อแม่กลับมาก็ดีใจว่าลูกชายเราไปทอดแหะหากินมันแรกได้ปลาไาเศษชีทองถ้าเราจะขายแต่กำไรไม่มากจะไปถวายพระราชาดีกวา่วายังนําไปถวายพระเจา้าพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเห็นแปลกก็นําไปถวายพระพุทธเจ้าใส่เรือไปแบบนั้นเอาใส่เรือใส่น้ําไป ก็อยากจะทราบว่าความเป็นมาของปลาตัวนี้เกิดเป็นทองคํำในเพราะอะไรเกิดเหมือนทองคําแท้พระว่าพระเจ้าก็บอกว่าก็เลยบอกว่านี่ไม่ใช่อะไรแล้วเป็นปลาปลาในบทพระเดิมทีเดียวเธอมีความเคารพพุทธศาสนาแนะนํำชาวบ้านมีความเคารพต่อพระเจ้าจกดจึงเป็นทองคํำแต่ว่าเธอลงอเวัีมานุกไปแล้วไม่กลับขึ้นมา ทีปากเหม็นหปากเหม็นถ้าก็ถามว่าเธอชื่ออะไรแปลโดยผมชื่อปกิละพิโคราบปากเสิงครึ่งเหมือนอุจรอออาระเปเทวีหานะไหมถามว่าเธอมาจากไหนมาจากอเวจีมานนครครับถว่าพี่ชายของเธอเป็นไหนพี่ชายเป็นไปนิพพานครับแม่กับน้องสาวขอเธอเป็นไหนแม่กับน้องสาวชื่อกระดาษละไปเวจีมานรกครับ จะถามว่าถ้าเธอตายจากควรนลาเธอจะไปไหนก็กลับเอเวจีใหม่ครับขอพูดเท่านี้เธอก็เสียใจหัวฟาดเรือตายสับลงเอเวจีใหม่พอพุทธเจ้าสัตว์เองนะนก็เป็นว่าการแนะนำบรรดาทัรพุทธบริษัทที่เรื่องนี้มาพูดให้ฟังว่าเราต้องเข้าใจว่าการลงมรกเป็นไปเป็นของไม่ยาก การไปนิพพานไม่ไปสวัรด์ก็เป็นของไม่ยากถ้าเรามีความเข้าใจย่างงี้การเจริญกับบรรทายมันก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจมันก็ไม่ยากอีกมันก็ยา ก, ยากอยู่ตัวเดียวคือว่าสกายติทินังสือเขียนว่าต้องมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่ได้มีเราความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกยากแต่โรวงพ่อหันท่าน อารมณ์ของมระโสดาบันกับสิทธาคามีจะมีความรู้สึกแต่เพียงว่าชีวิตร่างกายนี้มันจะต้องตายใช่แค่นี้นะที่จะบอกว่ามระโสดาบันก็ดีพรสิทธาคารมีก็ดีมีสมาธิล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีสิ่งอริยสัจจำตัวนี้ให้ดีสําคัญดิสิน แล้วมีความว่าให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายต้องคิดวันละกี่ครั้งก็ไม่มีความจําเป็นวันหนึ่งคิดสักครั้งเดียวก็พอให้มีความมั่นใจว่าชีวิ ต, ตมันต้องตายแน่เราก็อาจจะคิดว่าแก่แล้วจงตายนั่นมันไม่ถูกความตายไม่มีนี่เครื่องหมายตายมาเมื่อไรก็ได้และบริการในสองไม่ยอมยอมรับต้งถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์วยความจริงใจ ไม่สงสัยในความดีของท่านแล้วการในสามไปโสดาบันสําคัญที่สิห้าพยายามภาษาสิทธิ์ทาครบถ้วนอันนี้ตามแบบ <c oughs> แต่ว่าถ้านักปฏิบัติจริงๆถ้าจิตจะเข้าถึงระโสดาบันต้องเข้าถึงโคตรคูยานก่อนคำว่าโคตรคูญานนี่เป็นญานที่อยู่ระหว่างพระโสดาบันกับโลกิยะโลคุตระกโล ก, ก, โกิยาก็สำคัน เหมือนกับลำรางเล็กๆเท้าซ้ายเหยียบฝั่งนี้เท้าวขวาเหยียบฝั่งโนนแต่เท้าซ้ายยังไม่ยกไปก็ระหว่างในช่วงระหว่างที่เราจะเป็นปโสดาบันนี่เวลานั้นจิตจรักอนิพพานอย่างยิ่งจิตมีความต้องการอย่างเดียวถึงอนิพพานขันจะชวนไปสวรรค์ไปพุทมโลกไม่ต้องการทั้งหมดจะเกิดใหม่ทำเงินอย่างนี้รวยก่ารวยไม่เอา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 นี่ความโกรธของพระโสดาบันยังมีแต่กโกรธช้าหายเร็วนี่ลมเบาเพราอว่าพระโสดาบันก็นเหมือนชาวบ้านธรรมดายังมีความรักในระหว่างเพศแต่ว่าไม่ละเมิดใจคู่ครองยังมีความอยากอยากดํารวยแต่หากินในอาชีพอาชมาชีวะไม่คดโกงใค ร, ย, คคใครยังมีความโกรธแต่ไม่คิดฆ่าใครยังมีความหลงเพื่อยังแต่ง ต, ตัวสวย แต่ว่าไม่ขาดสินห้าแค่นี้เป็นมรโสโดาบันอันนี้ขอบรรดาญาโยมเลือกเอาหนาะต่อไปถ้าเราต้องการเปรรน็นสกิทาคามี<ส>ก็บังคับกำลังใจพวกเราว่าแค่พัสแค่สินห้านี่มันไม่คลอด็จแล้วเพรากำลังใจยังหยาบอยู่ไอ้สิห้ามีอะไรบ้างหนึ่งขั้นาหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่รักทรัพย์สามไม่พฤติภกรรมสี่ไม่พูดหนสาวาจห้าไม่เดิมสซรามีอะไร ต้องขยับให้สูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งท่านพระสกิทาคามีนี่ก็ยังมีคู่ครองเหมือนกันคนยังไม่เคยแต่งงานก็แต่งงานท่านพระสกิทาคามีก็เอาเอ า, เอากำหนดสิบเข้ามาร่วมขึม้หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่รักทรัพย์สามไม่เพิกิจการเหมือนสินหามาถึงวาจาเพิ่มอีกสคือึหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคําหยาบสามไม่ส่อเสียดสี่ไ่เพ้อเจอือเหลวไหล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 อย่างนี้เป็นพระสีทาคารีแต่ความจริงเมื่อเข้าถึงสีธาคามีนี้อารมณ์อ่อนมากคำว่อาอารมณ์อ่อนมากหมายความว่าจิตที่มาันจะเป็นบาปนะอ่อนมากจิตคิดแคข้าวสัตว์ที่มันไม่มีจิตคิดแครักทรัพย์ไม่มีจิตคิดที่ทําการเมสองสุชาชานช้าจานมันไม่มีถ้าจิตอยากจะโกหกมาทุกขครก็ไม่มีการอยากจะดื่มสุราเมรัยก็ไม่มี อันนี้จิตคิดอยากจะลักทรัพย์สม บ, บัติของใครก็ไม่มีเอาแค่อยากได้ศีลศีลห้ามขมโมยแลาวกากำหนดศีลไม่มึกห้ามใจเลยศีลและห้ามมือกำหบดศีลห้ามใจจะไม่ดีนะจิตใจก็อยากได้ทรัพย์สมบัติไม่ไม่มีอันนี้ความโกรธของพระสัง ก, กิทางธรรมีเบาลงความโลภเบลงความหลงเบาลง ถ้าบ้านเศรษฐาคามีเบื้องปลายนี่เบามากจนกระทั่งบางครั้งรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระอนาคามีนี่ธนกตปฏิบัตินะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัส ต, ต่อหน้าจะไม่มีความรู้สึกอย่างกามารมณ์นี่มันจะไม่รู้สึกถ้ใครเขาด่าเขาว่าจะไม่รู้สึกมันเฉยก็มีเมตตาจิตก็คคำศุลนถ้าใครเขาด่าเขาว่าเขาที่ทาก็มีความรู้สึกในใจว่าน่ารูปสารคนนี้ กาเขาด่าเราเขาก็ต้องลงนรกถ้าจองล่างจองสายคนนั้นต้องลงอาเบจีก็จิตนึกสงสารแทนี่ด่าว่าตอบก็ไม่ดีแล้วว่านั้นนายเข้ามีอารงณ์ฉดบางทีอารมณ์ทั้งสามอย่างอย่างใดเนี่ยความรักก็ดีความอย่างเจรวยก็ดีแล้ความหลงก็ดีนิดหน่อยมันอเวลาเกิดขึ้นยังเมื่อเวลาเกิดขึ้นจริงๆนะ้วไม่ถึงนาทีไปถูกตีกลับ จิตจะหายไปใ น, นาอนเพื่อเศรษฐกิจคารามีเนะ่องไกลนะก็ใกล้ไปนาคารมีพอถึงขั้นอนาคารามีจิตจะเต็มด้วยพลเมืองสีมีด้วยความเมตตาปราณีอยากจะสงเคราะห์ อ, อย่างเดียวโดยการีสอนจิตจะหมดความรู้สึกในเทศเพราะว่าการปฏิบัติในอสุภกรรมฐานกับกายเงตาโนสติ ต่อไปก็มาถึงอนาคามีแล้วก็เป็นหน้าที่ไปพระดาหันจะเป็นพระดาหันหตัดสัญญอีกห้าอันนี้ง่ายไม่ยากคืกอข้ 5, อนนท้าลำบากจริงๆก็ขั้นมาโสดาคีธาคานาคาเนี่ยทำลําบากเพราะอะไรไหมเพราะเป็นของใหม่อย่างไอ้นักเรียนป .1 นนเนี่ยมันเรียนยากเห็นไหมเขียนตัวกอตัวเดียวสามวันไม่เป็นตัว ตอนนี้หา ว, ว่าขึ้นวัธยมปีที่หนึ่งมันหวานแล้วใช่ไหมเขียน<า>อะไรก็ได้เว้นไว้แต่ความจำ<า>อมตอนนี้พอผ่านนาคามีไปแล้วจะเปอาหารเัน๋นี้ก็เป็นการตักกิเลสอย่างละเอียดที่เรียกว่าอนุใสใช้กําลังใจคือใช้ปัญญาโดยเฉพาะไม่ต้องผูกปลังกันมากสําหรับเป็นโสดาสีทาคานาคาที่ได้มาแล้วเนี่ยไม่มีคําว่าเสื่อมคาว่าเสื่อมไม่ไม่มีเจ้าทรงตัว ตอนจะแปลหลังก็ตัดหนึ่งรูปราคะการเห็นรูปใบชาเป็นของดีไม่มีแล้วจะมีความเข้าใจว่ารูปใบชาเนี่ยเป็นเฉพาะกําลังช่วยปัญญาตัดกิเลสเท่านั้นก็หาว่าถ้าเราติดไปแค่รูปใบชาเราเกิดเป็นโรงแค่รูปแบบลมไม่ได้ปฏิภาณได้รูปใบชาเก็เป็นกําลังตัดช่วยกําลังตัดกิเลสไม่ติดมานะการถือตัวถือตนไม่มี ตัดอุจจาระอารมณ์ผู้สร้างคิดว่าเราตายจากชาตินี้แล้วเราเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยเราก็ไม่ลงมาเกิดทำไมไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าแล้วไปเป็นพรหมแล้วก็ต่อปฏิ่ันจิตตัวนี้ไม่มีวันที่ผ่านตัวเดีย ว, ยวต่อไปก็ตัดอวิชชาอวิชชาพระเจา้าขุนแยกเป็นสองสามกุศชันท่ากรบราคะชันพระหนึ่งมีความใจน้ำโกเทวโลกและพมโลก ราคะเอ ม, มนุษย์สโลคเทวโลกภพโลกเุ็นขอ ง, ของน่ารักไม่มีเทว่ามนุษสโลกเต็มไปด้วยความทุกข์เทวโลกกับภมโลกมีความสุขก็ยงิงแต่เทว่าคือความสุขไม่นานถ้าหมดเป็นวาสนาบารมีล้วกลั บ, าบนนามาเกิดมาเป็นทุกข์ใหม่เรบไม่ต้องการเราต้องการานิพพานตอนนั้นต่อไปสศ ก, กิจจะเป็นสังขารุปเปขขายาติคือมีอารมณ์วางเฉยทุกอย่างแต่ไม่เฉยไม่คุยนะ ปากเขาคุยก็้จิตขเขาเฉยใครว่าอะไรให้มาคนว่าดีโลกว่าดีก็ดีตามไม่ไข่คอกันแต่ฉันไม่เอาด้วยไม่ว่ากันตามแบบนะเวลาเท่าไหร่หลายลายหนาทีนี่แต่ว่ากัาตามแบบอย่างนี้บรรดาญาติโยมทุกบริษัทเห็นว่าปฏิบัติยากไปหน่อยนี่เอาให้ง่ายกว่า น, านอ้นนิดใช่ไหมดูไหมเอาให้ง่ายก็คือว่าจับอารมณ์เบโสดาบันให้ได้ นี่นี่เนักปฏิบัติจริงเขาไม่ทํากันแบบเมื่อกี้แต่ที่พูดเมืกี้นั้นว่ากันตามแบบแต่นักปฏิบัติจริงเขาไม่ทํากันในเมื่อเป็นระโสดาบานเก็จับปารหัน เ, เลยถ้าใบโสดาบานบรรดาแ ย, ยากโยมพุทธบริสุททุกคนยากที่ไหนที่นั่งที่นี่ทั้งหมดยากตัวเดียวคือศีลใช่ไหมการเคารพการนึกว่าเราจะต้องตายมันไม่อยู่แล้ว ถ้าไม่คิดว่าจะตายก็ไม่มาเจริงกันมาถานกันไม่ก็ไม่มาทำบุญกันคนทีรู้จากการทำบุญก็คิดว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองต้งตายตายแล้วไม่อยากไปนรกนั่มันมีความมันมีความรู้สึกอยู่แล้วสกายยตทิฏฐิเนยกา ร, รใารีสองทุกคนมีความเครารพในพระเจ้าประทานพระอริยสองฆ์อยู่แล้วนี่ก็ไปทนลสองอย่างหรือแต่ศีลตัวเดียวก็ น, นี่ก็เก็บศีลศีลที่เราไม่ได้ขาดทั้งห้าตัว ทุกคนมนมีศีลแต่มันไม่ครบห้าหทั้งนี้ทั้งแก่ไอ้ศีลที่ยำมเคยหลบหน้าหลกตาจัดไม่เคยถูกศีลที่รักษายากที่สุดของญาติโยงผู้หญิงคือมืสาวาสโอ้รู้ซะด้วยเนี่ยไม่ได้เป็นน้ําไม่แกล้งว่านะัพูดจริงๆนะเนี่ยเนไหม เพราะว่าสมัยนั้นผ ม, นมนเคยเจอผู้หญิงโกหกหลายครั้งให้นึก่าอยู่วัดไม่รู้เรื่องหรไม่ใช่ตอนนั้นไม่อยู่วัดอยู่บ้านอไอ้รับยังที่รวมข่าวม<อ>ี่สมัยเป็นหมอดูอยู่แถวหมอดูเนี่ยมันดีจริงๆคนต้อเปิดเผยความลับหมดใช่ไหถ้าไม่เปิดเผยความลับเดี๋ยวเราก็พูดเรื่องความลับอเอาจริงๆ จ, จังกันนะนี่ถ้าหากว่าปฏิบัต ทุกคนก็หนักที่สินค่อยๆปรับปรุงศินสินตัวไหนที่เห็นว่ายากธรรมะจะบังมันไว้ตั้งใจคิดว่าก่อนจะหลับคิดว่าวันนี้ทั้งวันตั้งแต่เวลาหลับถึงวันเย็นพรุ่งนี้เราจะไม่ละเมิดสินห้าแม้แต่ข้อเดียวแต่ไม้ก็อาจจะเผลอเลยวันหลังก็ตั้งตนใหม่จะไม่ละเมิด อ, อีกมันก็เผลออีก ต่อไปมันจะไม่ละมมิด อ, อีกครบอีกแต่ระวั ง, บ, งบ่อยๆมันอ่อนตัวลงประมาณสามเดือนไปนอย่างชาจะครบห้าตัวห้าสขาบทพอ<ะ>ครบห้าสิขาบทเพระวจิตจะต้องการนิพพานเี่อเป็นมโสดาบันแน่นอนแล้วตอนนี้ก็ตัดเข้าอาหารอาหารเลยอาหัรก็ตัดตัวท้ายตัววิชาเข้าปฏิบัติแบบนั้น พระแยกก็มนุษย์สลกรค์เทวโลกโลกับเป็นมนุษย์เทวเจ้าส่วนแยกไว้เป็นสองสับมาฉันทะเรามีความพอใจในะมนุษย์สวรรค์เทวโลกกับมนโลกไหมถ้าเรายังมีความพอใจอยู่ก็ที่ว่าเรายัางโง่ามากเพราะว่ามนุษย์โลกรค์เทวโลกสมมมนโลกนีมีแต่ความไม่พ้นทุกมนุษย์สวรเป็นทุกตลอดอย่างยิ่งเทวโลกกับเมนุษโลกไม่ทุกแต่ไใบชาเมื่มอหมดปุณก็ต้องกลับมาทุกใหม่ถ้าไม่เอาอต้องการานิพพาน ราคาเอวมนุษยโลกสวยสวยงามมันสวยที่ไหนล่ะเห็นไหมคนนี้ก็ไม่สวยก็ดูในท้องมมีขี้ทุกคนน่ะใครมีขี้มั่งยกมาขึ้นข้างนอกก็มีขี้อ่าคนนอกขี้เหมือขี้ใครใช่ไหมขี้กกหกมดเท็จะเอายังไงเนี่ย ว่าคนอืน่ไม่ได้บายของนายมันเหมือนกันหมดแล้วก็ด่อยู่เพราะอีกที่หนึ่งนนที่ะเทียดโอ้โหมันกมีนี่ <ๆ S 1> ที่ระยะมันสำคัญมากมันเดือนจะไม่ขึ้นไงตัวเนี้ก็ดูความพึงเพราะแโลกมันก็มีแต่ความสกป ร, รกใช่ไหมร่างกายแล้วมันชำระล้างมันก็สกป ร, รกมันไม่สะอาดหรอกบา นี่เราก็ไม่พอใจใ น, นโลกเทโลกกับพระโลกเป็นเดียวเดียวมีความสุขเียวกับมาทุกข์ไม่เอาใหม่เราต้องการนิพพานก็จิตจับรุงมาราคะโอโลภะความโลภจะไม่มีในเราโทษความโกรธจะไม่มีในเราโมหะความหลงจะไม่มีเราทรัพย์สินที่มีอยู่เราจะหาเรายังหาทรัพย์สินอยู่แต่หาโดยชอบธรรม ให้เงินเดือนเท่าไรเอาเท่าเอานั้นเงินไหลตามน้ามาเท่าไรเอาเท่านั้ น, งง น, นเงินไม่ถูกใจเง <c oughs> <ห>ินสมนาคุณได้เงินตามน้ำเนี่ยมันอย่างนี้ม <c oughs> ีแข้งหนึ่งกลับมาจากเชียงราย <c oughs> มีผู้หญิงคนหนึ่งจะนั่งอาศัยรถมาแกก็คุยมา <c oughs> ได้เงินที่งานการก่อสร้างเราดับเหมาไงบริษัทเครื่ตัดเงินไ้วยก้อนหนึงคือเงินสมนาคุณ กรณีถ้าหากว่าเขาใช่เขาตัดบัญชีออกแล้วให้คนนี้ถือไปก็ให้คนน้นนะถ้าคนนั้นไม่รับไอ้คนถือนั่นเอาเลยเขาถือก็ตัดบัญชีออแล้วใช่ไหมถ้า<อ>เงินประเภทนี้นี่มันไม่บาป เ, เพราะไม่มีสัญญาไม่ได้บังคับเขานี่ยไม่ยุให้ใครโกงใครนะถ้าใครได้เงินประเภทนี้มาไม่ต้องการเอาไปวัดท่าสงอไอ้เงินบังคับบอกแกต้องเผื่อถึงยี่สิบเปเซนี้ไหม เขาห้เข า, เขา ใ, หให้ไม่บอกก็เอาก็เป็นว่าในเมื่อ <atau> ถึงพระโสดาบันก็ตัดขันห้าตัดตัดความรู้สึกมนุษย์โลกเทวดาแลกพรหมโลกค่อยๆตัดว่าเราไม่ต้องการเป็นมนุษย์อีกไม่ต้องกันเทวดาหรือพมเพราะมันทุกข์เทวดากับผมเนี่ยจะถือมีความสุขก็โชคราวยามีงานใช่ไหมเราต้องการนิพพาน เพราะอย่างนี้หันมาดูร่างกายร่างกายของเรามันแก่ทุกวันมันมีแต่ความทุกข์มันไม่มีความสุขไม่ทามันก็พังถ้าเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้กิจชาติมันก็ทุกแบบนี้เราไม่ต่างกายมาอีกในจิตก็เข้าถึงสังขารุติขา ย, ยานมีลมวางเฉยถ้าทำมาวางเฉยที่มันก็หิวหิวก็กินป่วยก็รักษาที่บางที่คิดว่าวางเฉยคิดว่ามันตายก็เป็เรื่องของมันตายเ ม, มื่อไรระวานิพันเหมือนนั้นจิดเป็นสุข เราตายมีความสุขกว่าอย่างนี้เป็นอรมพระอรหันต์<ม>ต่อไปถ้าเรายังไม่ตายยังไม่ใกล้จะตายมันยังไม่เป็นอรหนะันต์ครับคราวาสเนี<อ>่ยคราาจ ะ, จะเป็นอรหันต์นเมื่อถึงวันตายนะถ้าหมดอายุไขมอะไรจึงเป็นอรหันต์เมื่อนั้น<อ>ถ้ า, า, าถ้าเป็นอรหันต์ไม่ ก็ไ่ทันสิ้นวันนั้นตายทุกรายอ้าวมันไม่ใช่เวันแต่กรถาบวกเจ็วันแต่ตามบาลีไม่เห็นถึงเจ็วันสรายวันเดียวเลยพระก็วันวันนั้นเลยวันนั้นแหละวันทุกรายวันนั้นเออเอคือฟังเทศเจ้าพระเจ้าจบไปแล้วขันขอบวชพระเจ้าเห็นว่าคนนี้ไม่เคยถวายผ้าตายีวอนนั่นมันเปศาสนาใช่ไหมครัครับเพื่อเอหิตพิคุมันจะไม่มีผ้าตายีวอนสาเร็จฤทธิ์ลอยมา ก็ไปเกิดประโยชน์ไปหายยีวอมานก็แล้วกันได้ผ้ามาเทียงก็มันจะบวให้ร ม, วม่ว่ามางดัชซีนีแดงเป็นรื่ทุกแม่มัวไม่ต้อ่อนผิดตายทุกรายนิพพานทุกราย<ม>ก็เรียองความว่า้าจิตเข้าถึงสังขารรเปรทยายานมันจะมีรมแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคนก็ดีใส่ก็ดีเห็นแล้วก็ปกติธรรมดาหมด อารมันเป็นปกติหมดคนที่น่ารักเราก็รักรักด้วยเมตธาภเ ม, มหันสีคนที่น่าเกลียดเราก็รักด้วยพเ ม, มหันสีไอ้ที่น่าเกลียดเพราะแล้วเขากกดคุ้ม ก, กรรมแล้วทําไม่ถูกเขกดคุงมกรรมกรรมที่เป็นอกุศลมัน บ, งบังคับยิ่งทําผิดใช่ไหมอันนี้คนทุกคนอยากมีความดีแต่อกุศลก็ครอบงำไม่หลีกเลี่ยงมันไม่ได้ผลมนไม่ได้มันมีความจําเป็น อาวุโสนจะเข้างานเอานาำนักไม่ได้ไม่ชาอาวุโสนามีอยู่แในเมื่อกุสนแทรกเข้ามาด้านไรอาวุโสนก็ถอยไปมานั้นอย่างองค์พิมานนี่นะฆ่าคนไปเกินพันฟังเทพพระเจ้าหน่อยเดียวไม่กี่วันเป็นพระทหัรตอนนี้ก็ะโจนฆ่าคนเป็นหมื่นฟังเทพจ้าภาษาที่เปเครื่องกันเป็นประโสดาบันนั่เหมายอาวุโสนถอยแล้วนะตรงความว่าถ้าจิตเข้าถึงสังขารรู้ิขยานมันจะเฉยเป็นปกติ เจอหน้าคนทุกคนก็เฉยเพราะว่าเฉยท้งหมดคามไม่เหนื่อยความไม่มีเมตตามีเมตตาความรักตีสุนัยความส ง, งสารมีเมตตาตามีเวือขามีมีทุกอย่างแต่ว่การผูกพันในร่างกายของผู้คนนั้นมาถูกไม่มีคือว่าเป็นรื่องธรรมดาทั้งหมดใช <c oughs> ่ไหมถือว่าคนทุกคนก็ต้องสวยไปฐานที่ใครไม่สวยะไม่มี่ขอนอนที่บ้านเชงบับแล้ว นึกว่าดีที่สุดแล้วแต่ตัวนะนี้ไม่ดี ก, กงางเจงขาดสามท่ออย่างนีกว่าสวยก็ลองความว่าถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของธรรมดามีหนึ่งมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นสองมีความแปรปลี่ยนท่ากลางสามมีการสลายตัวในที่สุดคนทุกคนต้องการความดีแต่ทาดีไม่ได้เพราะอกุศลเขาครอบงาําจิต แต่เวทศจะเข้าอองานจิตนานนักไม่ได้ไม่เช้าก็สไลด์ตัวความดีจะเข้ามาถึงสักวันเด็กข้างหนานเขาจะดีอยู<ะ>่คือจิตมันก็เลยเฉยไม่เตะใครไม่โกรธใครไม่ตำหนิใคระใอะไรยังไงก็ช่างผีเรื่องธรรมดาไม่รูสุกโรงเขาว่าถ้าเราดีแล้วไม่มีคนอื่นชั่วถ้าคนอื่นยังเล็วอยู่แสดงเรายัางเรวมาก ถ้าเราไม่เร็วเราก็ไม่รู้เขาเร็วโอ้อย่างพระพุทธเจ้าไปเคยเินทางใครเพราะท่านดีที่สุดใช่ไหมทราบรู้กฎของกรมต้องมั่นใจในกฎข้องกรรมน่นมันบีบบังคับคนทุกคนต้องทําดีทุกคนที่ทําไม่ดีก็เอาวิธีกรรมมันบีบก็รู้อยู่ว่าฝืนไม่ได้โจติปิดทำไมขอธรรมดาตนี่ใส่ขบวนนายญาติโยบุตุวิสัตถ์หลายตั้งใจสมาทานสินสมาทานและสมาทาน